ดวงลูกความเห็นแจ้งไหนกายในใจนี้เว็นวุนเป็นสวรรค์เป็นนิพพานถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นบาปเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นสันนโรกได้ยังไม่ขวนปล่อยปะละเลยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มันมีให้เราศึกษาดังที่พู้โธที่เราสอทยายเมื่อกี้นี้ แล้วพทธเจ้าได้เกิดขึ้นศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนี้ได้ศึกษาเรื่องอื่นพระองค์สำเร็จมาแล้วสิเกตศาสตร์นี่มากนั่นยังไม่เป็นพระเจ้ายังเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนมีความหลงในกาย ใ, ใจ ถ้ากลัวการเกิดเจ็บเจบตายถ้าหลงก็ถึงไปการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่หลงก็ไม่มีการเกิดไม่มีการเจ็ไม่มีการเจ็บ ไ, ไ, ไม่มีการตายเราชีวิตที่เรามีอยู่เนี้เราให้คอยเป็นสุขคอยเป็นทุกขเ์เพราะกายเพราะใจมันไม่ถูกต้องหัวที่จะเกิดกรรม พูดหรือตัดออกมาว่ากายสว่ากายไม่ใช่จัดอุปกรณ์ตัวตนเรเขานี่อันอื่นเฉือนออกหมดแล้วแต่ก่อนเคยเป็นสุขเป็ทุกข์ก็กายพอมาเห็นแจ้งก็เลยเฉือนออกมาพูดมาตัดไว้ว่ากายสว่ากายไม่ใช่จัดอุปกรณ์ตัวตนเรเขานั่น ล้วก็ลงตัวตรงนี้อย่าให้หลงอะไรที่เกิดกับกายจงมีความเห็นแบบนี้นกายจะว่ากายอันาจะแสดงให้เราเห็นเป็นอื่นไปซะถ้าเป็นอื่นก็มีพวบชาติตรงกายก็จะเจ็บตายด้วยมีมากมายสิ่งที่เกิดกับกายนี่ เรามีสติเห็นเนี่ยเราก็ทำได้ทาได้ทุกคนความเห็นนี่มันง่ายกว่าการเข้าไปเป็นเนื้อผ่านได้เหมือนเราเดินทางถ้าเห็นกายสวรากคา์มันก็ผ่านไปแล้วถ้าเอากายไปเป็นอนะันอื่นก็ไม่ผ่าน ไปไม่ได้ถึงไหนเวทนาหรือสุขรทุกข์นี่ก็เช่นกันเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกขเป็นทุกข์สุขเป็นสุขพระพุทธเจ้าเขียนบอกหมดแล้วเหลือแต่สักว่าสุขสักว่าทุกข์สุขก็สักว่าสุขทุกข์สักว่าทุกข์ไม่ใช่จตุคคลไม่มีผู้สุขไม่มีผู้ทุกข์ มันมีใครเที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความสุขความทุกข์ก็ยังมีความสุขความทุกข์อยู่ก็มีการเกิดเจ็บเจ็บตายบนความสุขความทุกข์นั้นจะให้ความสุขความทุกข์เป็นใหญ่แล้วแต่เขาจะให้สุขแล้วแต่เขาจะให้ทุกข์ไม่ใช่ไม่เห็นนะครับก็ภาษา เอ็นเดียเรียว่าเวทนาสุข ก, ก็เรียกว่าเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาเสมอกันหมดมันก็มีการเจ็บปวดเสียดูลเสียสูญเสียความปกติไปถ้าเป็นสุข ก, ก็เสียปกติไปแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็เสียปกติไปแล้วให้เห็นเนี่ย มันจะยากอะไรถ้างความเห็นอย่างนี้มันไม่ยากอันเท่าไปเป็นวันยากขั่วมันจะเกิดหลุดนะเมื่อสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกไม่หลุดแน่นอนมีภพชาติตรงนี้ด้วยเช่นกันใครใก็มีใครๆก็เป็นเป็นมาแล้วหลายภพหลายชาตเดดิเกิดดับเกิดดับลังสุกตรงทุก ว่ามีสุขถ้ามีทุกข์ก็มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีสมมตุติมีบัญญัติมีอุปทานมีภพมีชาตินพระพุทธเจ้ายังเฉือนดอกเอาเหลือแต่ว่าศักแต่ว่าจิตก็เหมือนกันนะที่มันมีจิตมันก็คือมันมีคู่คือบัญชิดเมื่อบันคิดก็มีอารมณ์เป็นคู่ของจิต เหมือนต่อเป็นคู่ของรูปอารมณ์มันก็เป็นคู่ของจิตยาวอารมณ์มาเป็นจิตบางทีความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาที่เกิดก่าความคิดเกิดจากจิตปงแต่งขึ้นมามันเป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตนักจะใช้จิตผิดประเภทเหมือนใช้มีดโกน โกนผมไปหั่นผักมันก็เชื่อาะว่ามเมตโกนมเมตโกนผมมันก็ใช้ไปได้ถ้าจิตนำไปย่อมอารมณ์ไปกิเลสตะหาโลภะโทสะ โ, โมหะกามมาละข้าปฏิฆะมานาทิฏฐิคิดมั่นถือมั่นมันก็ผิดประเภทไปแล้วมันใช้ไม่ได้การที่เอามาใช่ให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดเป็น ไม่มีคุณค่าแล้วจิตอ่ะใชาใช่ผิดมันก็หมดคุณค่าเรื่อยไปหมดความเป็นจิตเ้วยไปแล้วเป็นนิสัยเป็นปัจจัยจะดิดนิสัยไปเลยเดอวว่ายแต่รูปแบบอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็มีภาระมีปัญหาเราจึงเห็นโดยเจ้าเฉือนอหมดเลย อะรที่เกิดเ ก, กิดกิจนะเฉนออกหมดควรมโลภโกรธความหลงกวามรักคอามชังดีใจเสียใจกิเลสตนาเฉือนออกเหลือไวแต่กิจสักว่ากิจบริสุทธิ์ละวันไม่ใช่สัตว์บุคคลโตนตนหล่อขอไม่เอากิจมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกิจ แล้วเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายในจิตก็ไม่เวทนาในกายก็ไม่เวทนาสุขทุกข์จนเห็นสิ่งที่ครอบงำเกิดขึ้นรวมรว ม, รวมกันเรียกว่าธรรมมีอยู่ทั้งจิตมีอยู่ทั้งกายเรียกว่าธรรมอะไรก็เรียกว่าธรรม ที่เกิดขึ้นรวมๆแล้วว่าทำก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่างพระพุทธเจ้าเทศเรดิมสา ม, มันลักษณะก็ไม่เที่ยงข้อที่หนึ่งก็เป็นทุกข์ข้อที่สองรวไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงรวมเป็นทุกข์ข้อที่สองไปหลักข้อที่สอง รวมทุกเป็นทุกตัวไม่เห็นนั่นกรมไม่เที่ยงไม่เห็นกไม่ทุกข้อที่สามว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนก็เลยแปลว่าอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวต น, ไ ม, ตวตนไม่ควรไปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา เจาธรทักปวงม่ใช่ตัวตนไม่ไปยึดว่าเป็นเราว่าของเราสักว่าธรรมอันที่เป็นเราเป็นของเราในธรรมทั้งหลายนั้นเผื่อโลภว่าแล้วเดือดแต่สักว่าลองมาปวดมาเห็นแย่ไหนใ่ด่านในรองโล มันยึดหลุดได้ง่ายๆอะไรก็หลุดได้ง่ายไปเลยถึงมีสติดูต้นโตมันดีๆมันก็อยู่กับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเราโต้โตมันอยู่ที่นี่เหตุมันก็อยู่ที่นี่ลองมอเจีมเยมแป้งในเรื่องนี่รู้ใช่อะไรก็ง่ายไปเลยแล้ว เหมือนพี่ใครได้เคยขึ้นสีปฐะในประเทศสีรังกาโจงที่สุดเรื่องอื่นเป็นเรื่องงา่ายคนที่ออชนะที่เห็นแย่งในกายในเวทนาในจิตในธรรมเรื่องอื่นเป็นเรื่องงา่ายมันก็ไม่น่าจะให้เรื่องนี้ค้องอยู่เป็นบ่วงเป็นเสาหลัก เป็นโซ่ตนให้เราได้หลงอยู่ตรงนี้วนเวียนวนว่ายตายเกิดเป็นพว บ, บเป็นชาติน่าเสียดาไม่ทันสมัยไม่คุ้มค่าถ้ามาหลงตรงนี้ชีวิตที่เราได้มานะ่ไม่ใช่ให้มาหลงตรงนี้ให้ได้ฉลาดตรงนี้ ถ้าดูดีมันให้ความฉลาดให้ปัญญาเราถ้าเราไปดูสิเลยเนี่ยก็โง่ไปเลยในความสุข ก, ก็โง่ในความสุขในความทุกข์โง่ในความทุกข์โ ง, ง่ในกายโง่ในจิตในกายในจิตนี่มันเป็นแหล่งปัญญาไม่ใช่แหล่งความโง่หลงออมัวแต่ถ้าเราไม่ดูก็เป็นป่าเป็นหลงไปเลยเอวิชชา อวิชชาเหมือนป่าดงมันอยู่ในกายดงมาอยู่ใน จ, ใจิตใจไม่ใช่ดงอยู่บนสุกตโออยู่ในกิดในใจเราเนี่ยอวิชชาแปล ว, ว่าดงแปล ว, ว่าป่ามืดสุขเป็นสุขมืดทุกข์เป็นทุกข์มืดพระเจ้าจึงเหงาขึ้นมาเปิดตอก ของที่ปิดหน่ยของเตพ่วงเสือนขี้ริ้วออกเสือนนั่นที่เป็นขี้ริ้วออกหรืเแตเป็นเนื้อมันมีในชีวิตของเรานะ่ขี้ริ้วคือความหลงเมื่อมีหลงก็มีเครือโลกมีความโกรธมีความทุกข์มีความรักความชังความดีใจเสียใจในขี้ริ้ว สปกปรกถ้าเรารู้ก็สะอาดเฉือนหออกมันเคยเป็นโลกเฉือนออกเป็นเมล็งตัดออกไปทิ้งไปมันเป็นส่วนที่รู้เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราได้รู้ไม่น่าจะหลงในะบอกเสีแล้วบอกแล้วใครก็ได้ยินมา ใช่สัตว์่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนขอาเขาในฐานะสุขทุกข์ก็สักว่าสุขทุกขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนขอาเขาจิตที่มอนมีอะไรเกิดกับจิตมากมายหลายอย่างกิเลสพันหน้าตัณหาอะไรแบบสับว่าจิตไม่ใช่สัต์บุคคลตัวตนขอาเขาเป็นจ Clear ิริยาเป็นอาการของเขาเป็นจิริยาเป็นอาการของจิตเป็นธรรมชาติของจิต ไม่ใช่จิตในร่างกายเรวเองเมื่อมือ่อดดมีอาหารก็เหน่่อยได้กินข้าวก็เหน่อยเป็นธรรมชาติเมื่อได้กินพออิ่มเป็นธรรมชาติหลวงตา อ, อดอาหารอาจารย์ต้มพาไปอดอาหารอันแรกก็สี่วันห้าวันน้ำหนักลดลงต้องสี่กิโล ก็วันกินมากบางคนก็บอกว่าหมอวางคนก็บอกอย่าให้น้ำหนักลดนะอ้วนน้ำหนักจะลดกินเดาอยู่เนอะอ้วนขึ้นมาถึงเจ็ดสิบกิโลหมอสังนะ่งมะให้หลองพ่อไปตรวจสุขภาพไปอยู่กับเขาเขาจะดูแลรักษาไปตรวจเลือดไอมันในเลือดสูงเริ่ว จนไม่เลือดไม่ไหลตืดไปเลยนองอะไร ง, อง้องอะไรอะไรมองหน้ามองหลังในอะไร ม, มอให้ลดไขมันโดยใช้ธรรมชาติบำบัดอดข้าวกินผลไม้ฉันผลไม้อ้อนท้องแล้วค่อยให้ฉันให้กินละมาน้ำหนักลดลง อะไรก็ดีขึ้น15วันนะอยู่ในคอดขอตอนเช่าขึ้นมาจันทุ่มพาไปออกโยคะออกโยคะแล้วก็ฉันผลไม้ฉันผลไม้ล้วอบสมุนไพรทั้งร้อนทั้งเย็นเมื่ออบร้อนลองไปงดน้ำในเย็นน้ำกลง เหมือนกับน้าแข็งเต็มหลางไว้ในร่ ม, มก็ต้องเย็นแน่นอนอาว่ให้ลงธรรมดาให้ลงไปแช่ถึงสองนาทีก็ล่อนเราไปถูกเย็นมันไม่ใช่เย็นใช่แล้วมันปวดกลายเป็นความปวดมันก็มีบนใดลงแหวงพอลงไปถึงบนใดตื้นมันก็ปวดยอนตรงไปก็ปวด ลงเลยครั้งใน่สองที่สามมันก็ไม่ไหวอาจารย์โตมบอกให้ลงไปลงไปลงไวปมันก็ลงไม่ได้มันจะปวดมันปวดมันปวดื่อขึ้นมาขึ้นมาแล้วอบอีกร่อนอีกอกอีกร่อนอีกสิบนาทีในความร้อนนะออกไปลงน้ำอีกสองนาทีแล้วก็อาบน้ำ ทำอยู่แบบนั้นสิบห้าวันนอกจกก็พวกเลือดไหอยานอกจากก็ถ่ายล้างท้องสิบห้าวันเข้าคอดผลสาเร็จบ อ, อกหนาผลที่ออกมาน่าพอใจหมอก็บอกว่าดีแล้วแล้วก็เราก็รู้ว่าดี คงเที่ยวก็กล่แต่หิวนะเดี๋ยวนี้ตัดหน้าปานะตอนเย็นเด็ดขาดมาอะไรก็ไม่ให้กินแล้วนะกินแต่ข้าวลูกที่ฉันเข้าเะห้ามกินอีกมันก็หิวอยู่แล้วนะมว่าจะได้กินไอ้สารตอนเช้าตอนเจ้าก็เน่มอะไรอีกให้ฉันสองมือเอาแบบพระที่เจ้าเลย ลูกจากที่นั่งนั่นแล้วห้ามฉันหลอีกจะฉันได้เฉพาะที่นั่งอ า, นาสนะศาลานอกจากนั้นห้ามเอาอะไรมาให้ฉัน <laughs> ตามวิ่ัไหนปิ๊บเลยไปก็ล <laughs> ดความอ้วนลงหน่อยๆนั่งไปสิก็ไม่ติดชินแล้วนะกันน้นิด <laughs> อะไรก็ไม่ฉันแล้วาะ ห้ามดื่มก็ไม่ฉันอะไรเครื่องเดื่มเครื่องอะไรไม่ฉันฉันแตาข้าวข้าก็ห้ามหลายอย่างอาหารก็ห้ามหลายอย่างนี่คือที่ไปนานๆเดินมุกราไม่ได้อยู่วัดเลยไปเดือนธันวาหนุนมาเยอะกลับจากเมืองกีนมาก็มาอยู่วัดเนี่ยสองวันก็ไปเดี๋เขาคดเขาสิบห้าวันสิบหกวัน ออกจากโคดเสร็จล้วก็ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก็ไปสอนทำเทนน่นั้นมีคนฟังหกพันคนนะเป็นประวัติศาสตร์เลยจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดหมาบุหลี่วงใหญ่ไปสอนไม่ไมีที่จอดเลยเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อต้งโยมธรรมเรื่องธรรมะเปลี่ยนชีวิต ที่ไหนเขาปฏิบัติธรรมกันแล้วยุคเราต้องปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าคนล่อสมัยวัดใดบ้านใดเมืองใดไม่ปฏิบัติธรรมไหนมันเชื่อไม่ได้เราไม่สมศักดิ์ศรีของกฎเป็นมนุษย์เราจึงต้องปฏิบัติธรรมอย่า อ, าอะไรมาอ้าง นี่คือประเทศไทยมีวัดมีพระสงฆ์อย่างน้อยเราก็มีสุโโตหหมอใช้ชีวิตที่นี่พออยู่กันได้ออกจากหาไเรมาอยู่ที่บ้านบ้านอายการเขาให้พักที่บ้านอายการคนล้าหลังพระสามลูกบ้านเขาใหญ่โตหลงั้นจนบ้านว่างๆนี่คนตามมาอีกมีพระวัด เรโมงตามมาส่วนงานทำสิบกว่าลูกก็เราก็ไม่ได้ไปหลอกหลวงใครนะต้องปฏิบัติเนี่ยหลังก็มือถึงเมื่อเย็นแว่านเนี่ยออกจากเชียงใหม่จนเช้าเสร็จขึ้นเครื่องลงกรุงเทพจากกรุงเทพลงขอนเกอน มาถึงบ้านเราไม่ค่ามาแล้วก็อาบน้ํานอนเลยอิ่มสมายเห็นลัดสุเกตก็ชื่นใจเห็นพวกเราเห็นธรรมชาตินะเราคุ้นเคยที่นี่อยากจะเดินไปไหนไปไหนก็ไปไม่ได้สัมผัสที่หมาเดินหนึ่งกว่าแล้วเดินกลัวแล้วเห็นพวกเรา ยังมีใส่ใจการบิบัติหน้าโมทนาแล้วก็มีที่ไหนดอกมีนี่แหละสากลนเอาเลยเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลามีติตเข้าไปดูหัวล้อกายหัวร้อใจวันนี้ก็จะไปอีกเดเน่ยมีบ้านเนี่ยบ้านตรงแดงบ้านความสวรรค์อุปกรณสวรรค์นเนี่ยเขามา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 ประกาศทำแล้วยิ่งใหญ่แล้ววัดต่างๆใหญ่ๆโตๆแทนที่จะประกาศมีโปรแกรมออกมาให้คนได้ฝังธรรมเชืยอชลนี่ยอดโจมขเขาเฉืยอชลเราไปพักบ้านอายการอายการเชื้อชลงานทางช่องใหม่คนมาจิงเข้าจินหน้ามากมายนี่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 เปิดว่าเราก็เป็นอย่างนี้อยู่กันแบบนี้อึ้นไปบนห้าหลอนบ้า น, น, น, า น, น, านสามแยบกบบ้านขุดบงธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้เอาเลยาครยังอยู่ที่เก่าเปลี่ยนเป็นที่ใหม่ได้เปลี่ยนจากปุตตชนเปลี่ยนมาเป็นกัลยาณชนเปลี่ยนกยนัลยาณ์นเป็นพระขึ้นมา เป็นบนขึ้นมาบาปเปลี่ยนเป็นบนเปลี่ยนเป็นกุศลเปลี่ยนชีวิตที่มันหมกมุ่นอะไรต่างๆเปิดเพื่อนมาเป็นมรคนิพพานจบมันเปลี่ยนได้แล้วอยู่ที่เก่าไวโกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วลงอีกทุกได้วทุกอีกคมลักความเจริญชงอยู่เช่นนั่นเหลือเงินพ้นได้นะเป็นอิสระ เฉพาะการปฏิบัติไปแข่งแหว่อะไรมากมายอะไรที่เราหลงอยู่มันจริงหรือเปล่ามันต้องไม่มีอะไรชีวิ ต, ต้องเราชีวิตต้องไม่เป็นอะไรได้ชีวิตคือไม่เป็นอะไรถ้ายังเป็นละอยู่ไม่ใช่ได้ชีวิตเลยไม่ให้มีชีวิตเกิดดับเกิดดับเป็นพบเป็นชาติอยู่ชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไร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 เอทนาสุขทุกสักวเวทนาจิตวสักวจิตธรรมสักวธรรมมันก็ขี้ดิวทั้งหลายจนได้พูดออกมาว่ากายสักวกายเวทนาสักวเวทนาจิตสักวจิตธรรมสักวธรรมเพราะเราหมดธรรมนัออม้นมันก็เป็นคำพูดของเราเป็นความเห็นของเรามันอยู่กับเราเฉยแล้วไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมที่เป็นส่วนนี้ยอยู่กับเราเฉยแล้ว บปฏิบัติได้ผลได้จริงๆอ่วนเรียกมาดูควรน้อมหมอใช้ตัวเป็นของส่วนตัวแบ่งปันกันไมดาด้จะลักจะอะไรก็ไม่ได้เลยอย่าเสียเวลาเธอพวกเราด่วนๆเจ้าหน่อยเข้าเท่นเข้าทางเข้าทางด่วนเจ้าหน่อยฟางด่วนอยู่ตรงไหนเห็นแล้วไม่เป็น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 มันหลงพ้นจากความหลงมันทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่ทางมันโกรธพ้นจากความโกรธมันรักมันเกียดตชังพ้นจากความรักความเกียรชังไม่ว่าด่วนเป็นทางไปเอาไว้หลังแล้วจึงว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้ไมันเปลี่ยนได้จริงๆริงไม่ใช่เรื่องเก่า โผลหลงเป็นเรื hmm? ko. so ่องเก่าเกือกเก็บน่าสมัยความโกรธเป็นเรื่องเก่าความทุกข์เป็นเรื่องเก่าควาอะต่างๆวิตุกข์เหมือนชอบมองเป็นเรื่องเก่าเก่าขมขึกนมากบ่าวมีสมัยละสหม่ตามใหมคือมันไม่ไม่ล่าสมัยถ้าหลงอยู่ล่าสมัยถ้าโกรธอยู่ทุกข์อยู่ล่าสมัยน่อ่า บางคนด้านนะคนหลงคนหน้าด้านคนทุกข์คนหน้าด้านคนโกรธคนหน้าด้านไม่อายตัวเองก็ไม่อายคนอื่นมันได้ทุกอย่างมันด้านถ้ามีสติมันจะอายตัวเองถ้ามันอายตัวเองก็อายคนอื่นได้ ถ้ามีชีวิตก็ซื่อตรงตัวตัวเองหลงไม่ได้หลงไม่ได้ซื่อตรงตัวตัวเองตรงจริงๆริงอมันหลงปฏิบัติตรงเข้าไปผมหลงเป็นความูกปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วหลงภัยเกิดพุทโธพุทโธปฏิบัติสมองจสมนัแล้วสบาแล้วหัดไปหัดไปไม่ต้องหัดมันเป็นไปแล้ว หลงที่ไหนรู้ ท, ท, ท, ที่นั้นโกรธที่ไหนรู้ที่นั้นทุกที่ใดรู้ที่นั้นเพราะมันเป็นแล้วไม่ต้องหัดไม่มีลืมมันรู้จํามันลืมรู้แจ้งไม่ลืมมันก็มีอันเดียวในโลกน่ะมีสุขมีทุกข์มีหลงมีรู้ไม่ใช่มากไม่นาจะสับสนเรื่องอะไรเรื่องเหล่าเนี้ย มันเชื่อมกัหลงคือความลงนั่นแหละที่บวดทุกข์คือความทุกข์นั่นแะแต่ใครก็เหมือนกันหมดสามันลักษณะจะเหมือนกันความเป็นมนุษย์ของเรานะไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ควมเป็นมนุษย์เป็นต้องอิสฉาภาพขึ้นมาไม่เวียดเวียนตัวเองความเป็นมนุษย์ไม่บีบเลียนคอนอื่นนี่คือความเป็นมนุษย์ไม่บีบเบียนเจรินวัตถุอื่นนี่ความเป็นมนุษย์ บิเบนตนอยู่ยไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์สาเปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ความรู้สึกเป็นเปรตไปมนุษ ย, ย์าเดชฉันโหนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์เ ด, ดชฉานงเงูเขาให้สุกเสุกขาให้ทุกข์เขทุกข์มนุษย์าเป็นรตชนิดสลกายงูยสุรกายก็กลัว กลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะพัาดาคจากจของลักของชอบใจกลัวอะไรก็กลัวไปหมดเอาความกลัวออกหนะ้าอ่ะสุรกายไม่กล้าหมอบอกให้เลิกสุบดิกลัวอดหมอบอกให้ไม่ได้กินอะไรกลัวเสิ็แล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเในเครื่อรถหนา เขาเคยซื้ออ่าช่วยให้จินพอ เ, เขาซื้อมาแล้วก็หมอบอกว่ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะถ้าเราไม่กล้าก็โ อ, อดไม่ได้แร้วเหมือนถึงก็อยากไม่ความอยากพารวมหน้าของความอยากให้ความอยากเป็นปัญญาให้ความอยากเป็นความอยากสุลเกลย น้ตสารนันหละหรอโลกมีแต่ความเล่าร้อนไม่เย็นใช่นหวความสุขก็เล่าร้อนนะความสุขความทุกข์ก็เราร้อนนะความทุกข์ความโกรธขีดชังก็เล่าร้อนนะความโกรธชังไม่เยดนความเินมันก็ไม่มีไม่มีความเลาร้อนความหลงก็ไม่ร้อนอดี๋ยแล้วความโกรธความทุกข์ิเลปปะหาไม่ร้อนเดอี๋ยแล้ว เย็นใชแล้วมอดใ็จแล้วมันมดแล้วเหมือนไฟวัดป่าสุโตโมมดในแล้วแต่ก่อนฤด้ดูนี่นยกังวลมากๆเรื่องไฟไม่ป่าเดี๋ยวกวนขึ้นเดี๋ยวควนขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี่ก็มดตรงแล้วอยู่สงบสบายพวกเรา ถ้าใจเรามันยินลงมวดลงมันจะเป็นยัางไงาไม่เป็นอะไรนะครับว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยอันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าแม่งเป็นอะไรดู่ก็ต้องทำเป็นงานของเราถ้าหลงเป็นหลงก็ต้องทำหลงให้เป็นไม่หลงเป็นลูกเข้าไปงานปฏิบัติธรรมไม่ใช่งานมายกมือสร้างจังหวอาจจะเป็นอะไรก็ได้ นั่งเฉยๆก็ปฏิบัติได้ปกติไม่เป็นเลยกับเลยไม่เป็นเลยกับอะไรคือปฏิบัติธรรมมาชจบก็ไม่จบมทุ ก, ก็ไม่ทุกน้องอยู่นอนอยู่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมได้มันขอบใจพวกเราที่เพิก็อยู่ปฏิบัติธรรมยังมีอุ่นใจพอมีหวัง ลางว่าไปหมกมุ่นอะไรต่างๆางก็หมดวังเสร็แล้วเป็นคนเชียงใหม่ก็มีวังบ้างเป็นคนจีนก็มีวังบางเป็นคนไทยจะเป็นไงพอมีวังได้ไหมก็เห็นหนะคอนี้ก็ดีแล้วมีพระสงฆองค์เจ้ามีแม่ชี เป็นไม่หมดเลยไม่ขี้อ่ะดีไม่ขีน้อยก็ยังอยู่ไม่ขีนะก็ยอยู่ัะให้เพียงก็ยัอยู่ให้ต้องคําก็ยังอยู่อนุนิสก็ยังอยู่ใครๆก็ยอยู่หุ่นใจนะหุ่นใจปฏิบัติธรรมไปพวกเรา